เรจะเข้าใจไหมคิดว่าเข้าใจในทวนใหม่เดิเอใ๋ให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีความรู้สึกอะไรมีความดิ้นรนค้นหาความพยายามอะไรทั้งหมดให้เห็นว่ามันเป็นสังขารไม่กระทั่งความรู้สึก จะพยายามทั้งหมดะให้เห็นว่ามันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามมะ ท, ที่ที่เรารูได้มันก็แค่เกิดดับเกิดดับเป็นเป็นทุกข์ที่เกิดดับเกิดดับดับของมันนีอย่างนั้นให้ให้ รู้อย่างนี้ให้รู้ในใจอย่างนี้แบบไวตะลอดเวลาให้ให้เหมือนใ ห, ใ ห, ให้ให้เราเห็นให้เราให้เราเข้าใจอย่างนี้ค่ะแม้แต่ความรู้สึกนะความรู้สึกก็เป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเรา <ineffective> แต่ความรู้สึกนี้ก็เป็นสังขารอะไรเมื่อความรู้สึกนี้เป็นสังขารก็หมดความหมายเลยต่อให้ความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราในขณะปัจจุบันที่มันปรุงอะไรได้ในขณะปัจจุบัน ความรู้สึกเป็นตัวเราไปๆๆๆๆปุงเยงเยงยงปุงอะไรก็ตามแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นตัวเราและความปรุงด้วยก็เป็นสังขารทั้งหมดซะแล้วก็มันหมดเลยไม่มีใครยึดถือตัวเราเลยเพราะไม่มีใครยึดถือตัวเราเพรนั้นจบหมดเลยเคยเคยเคยพิจารณาอย่างที่ดวงตาบอกกันนะว่าความรู้สึกตัวเรามันก็เป็นสังขารแต่ก็มันก็มีความคิดเที่ยงขึ้นมาว่าแล้วทำไมความรู้สึกตัวเรามันถึงคายอยู่อย่างนั้น นีเไงนี่ไงนี่นี่ตรงนี้ก่อนขอตัดตอนนี้ก่ที่เต้ยบอกว่าตะแลงกับกำกับอยู่นี้ว่าก็แม้แต่ความรู้สึกตัวเราก็เป็นสังขารแต่เต้ยไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องทุกขณะปัจจุบันว่าแล้วอยู่ๆก็เราก็ทิ้งความรู้ก็เข้าใจตรงนี้ทุกอย่างในขณะปัจจุบันที่แสดงกิริยาการมาเนี่ยเป็นสังขารเท่านั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นสังขารหมดเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปแต่ ได้เห็นว่าความรู้สึกว่าเภตัวเราเป็นสังขารแต่แล้วตัวก็มันมาคิดว่าเออถ้าไอความรู้สึกนี้เป็นสังขารเนี่ยแล้วทาไมเรายังมีความรู้สึกคาอยู่ว่าไม่เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเลยก็ไอตัวใหม่เนี่ยตัวปัจจุบันตัวไม่ทันไปแล้วว่ามาม า, มาคิดเอาเองแล้วตอนนี้มาคิดเองว่าเออทาไมในเมื่อความรู้สึกอ่ะที่บอกว่าความรู้สึกตัวเราเนี่ย ทำใมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นสังขารแล้วทําไมสังขารมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอ๊แล้วทําไมนี่สังขารในใจเราที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันจะไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันดับไปแล้วนี่ก็เรามาสังขารใหม่เนี่แล้วไงวะเอ๊ทาไมความรู้สึกมัันนตความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันมันจะคาอยู่มันไม่ดับไปเลยไปไปเห็นแต่อันแรกอันเดียวออกซึ่งเป็นอดีตแล้วไม่ทันไม่ทันในสังขารปัจจุบันสังขารปัจจุบันันรลยกายเป็นอดีตเป็นทําเมา อนาคตเป็นธรรมเมาธรรมะธรมโมมีแต่ปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบัน น, นั้นไม่ทานอันปัจจุบันที่ต่อเนื่องสังทุกอย่างเห็นเป็นสัง ข, ข า, สารสังข า, สารสังขารสังขารต่อเนื่องยิบไปไม่มีช่องว่างเลยมีแต่สังขารทั้งหมดตัว น, นี้อ่ะพอเราเห็นสังขารไม่กี่ทีเราตรงนี้เราไปนั่งคิดเองนะตัวนี้เราไปปรุงแต่งเองเลยอันนี้เสียท่าเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยวางสังขารขแต่เราหลงไปเป็นสังขารขเองซะยาวเลยเราเห็นว่า เป็นสังขารอยู่หน่อยเดียวแต่หลงไปเป็นสังขารซะเองซะยาวเลยตอนนี้เข้าใจไหมเนี่ยผิดพลาดตรงไหนไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มองมันลงในปัจจุบันไปเกาะไปกับความรู้สึกที่เป็นตัวเราไปแล้วไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันทุกขณะที่มันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็แค่แค่เห็นมันนะนับปัจจุบันว่ามันมีสังขารเกิดสังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบ เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมันก็มีแต่อย่างนั้นแหละมีแต่ทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสังขารอย่างไรก็ตามมันเป็นสังขารปัจจุบันในสังขารปัจจุบันไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดถือสังขารปัจจุบันมีแต่สังขารปัจจุบันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเองดับเองก็ได้เลยว่าสังขารที่เกิดขึ้นเองดับเองเกิดขึ้นเองดับเองในทุกขณะปัจจุบันแล้วก็ไม่มีสังขารเหล่านั้นไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปรองรับ แม้แต่ความรู้สึกว่าเป็นเรามก็เป็นสังขารถ้าเราเห็นว่าแม้แต่ความรู้สึกว่าเป็นเราก็เป็นสังขารน่ะมันก็ไม่ม่ใครเป็นสวยมีความรู้สึกอยู่ก็ไม่มีใครเป็นเสวยมันก็ไม่มีค่ามันมีความหมายต่อใจเลยแต่เราไปตั้งค่าไว้ว่ามันจะต้องมันจะต้องเกิดขึ้นมันสังขารทั้งหมดมันจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะอะไรเราอยากให้ความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปตอนนี้ผมไม่ดับจิตใจอยากปุ๊บอ่า แต่ความรู้สึกนี้ทําไมมันไม่ดับไปมันไม่ดับไปเพราะว่าอะไรมันเนี่ย เ, ออเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีค่าต่อในใจเรามันก็เลยไม่ดับไปจากใจเราไอ้อสังขารทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นอะไรทั้งหลายอย่างแลในปะัจจุบันเนี่ยทั้งเราไปคิดหาวุตานจะดับว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกน่ถ้าถ <strongest S 3> บอก ว, <delicious> ว่าค ว, <essen. S 1> วามรู้สึกเป็นตัวเรามันเป็นสังขารมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทําไมมันไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ๊ยเราไปคิดอันใหม่ตั้งเยอะแยะแล้ว ของเก่าอ่ะเราอ่ะไม่ดับไปจากใจคือเราไปให้ค่าไปสิ่งนั้นที่อยู่ในใจเรามันก็เลยสิ่งนั้นเนี่ยมันเลยไปอยู่ในใจเราทําให้เราเป็นทุกข์เป็นอวิชชาเป็นเป็นเป็นทุกข์ได้เอออะไรก็ตามถ้ามันม่อยู่มันเราไปให้ค่าไอ้ความต้องการมันเนี่ะสิ่งนั้นมันจะเข้ามาอยู่ในใจของเรามันจะไม่รู้สึกว่าเกิดดับทันทีแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ให้ค่าความต้องกาอะไรเลยมันจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่ที่มาอยู่ในใจมันก็จะเป็น เกิดด no ับของมันไปเองตามตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเกิดเองดับเองไปไม่ว่าอะไรแต่พอเราไปให้ค่าอะไรไว้ในใจเราสักอย่างเดียวมันไม่เกิดไม่ดับไปจากใจเราแต่ความจริงมันเกิด uhm ดับไปแล้วแต่มันไม่เกิดไปดับไปจากการให้ค่าในใจเราเราไปให้ค่าว่าเออความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันยังมีอยู่เลยความรู้สึกเป็นตัวเราไม่ได้มีอยู่เราจะทําลายมันยังไงมันมีมันหายไปทีอ้าวเราไปให้ค่าสาคัญตรงนี้มันเลยเข้ามาอยู่ในใจเราเลยกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในใจเราไม่ดับไปเลย แตถ้าเราไม่ให้ค่ามันเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะทุกอย่างอะ่ะมันก็เกิดขึเราก็ดับไปมันจะดับแล้วไม่ดับมันก็ไม่มีไม่มันก็ดับไปใจากใจเราไม่ใช่ว่าเราไปทําให้สิ่งนั้นเนะี่ยมันดับไปเช่นสมมติว่าทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ที่เนี้ยทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นถ้าในขณะปัจจุบันเราไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาเอาเขาเข้ามามีค่าอยู่ในใจเรามันเรียกว่าดับไปใจากใจเรา แต่ตัวเขาก็ยังนั่งอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปฆ่าให้เขาตายเอาไหนอ่ะเขาเป็นสังขารไม่เที่ยงทําไมยังเขายังนั่งอยู่ได้ทําไมเขาไม่เห็นดับไปเลยล่ะก็<อ>เขาเป็นสังขารไม่เที่ยงเขาก็เสื่อมไปแก่ไปดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่ใช่เราไปทําให้เขาตายต่วเนี้ยต่อตาแต่มันดับไปจากใจเราคือแม้แต่ทุกคนนั่งอยู่ในนี้แต่ดับไปจากการมีค่ามีความหมายต่อใจของเรานี่แหน่บางทีทำให้ เป็นพระรหัสที่ท่านว่าไม่มีพระหลานทั้งหลายไม่มีอะไรที่ดีค่าดีความสำคัญอยู่ในใจของท่านแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มีอยู่อย่างไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ว่ามันดับไปอย่างใจอยากเรามันจะต้องดับไปอย่างใจอยากไม่เห็นมันดับไปเลยไม่เห็นมันดับไปมันจะดับไปไม่ดับไปไม่เกี่ยวกับเราหรอกแล้วมันมันมีเหตุปัจจัยที่เหตุปัจจั ย, ปปจจยมันก็ดับมันไปเอง แต่เราสิไปให้ค่ายความสำคัญว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องดับไปต่อหน้าต่อตาดับไปคาคาหนังก็เขาคาใจเราอันนี้เราไปให้ค่ายความสำคัญถึงนั้นแล้วว่ามันจะต้องดับไปความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันจะต้องดับไปมันต้องดับไปไอ้ค่าความหมายเนี้ยมันมาอยู่ในใจเราไม่หายเลยเหมือนกับว่าใครสักคนมาอยู่ที่นี้แหมเขาจะต้องดับไปอย่างนี้เดี๋ยวดับไปอย่างนี้ก็ยังไม่ดับมันก็เลยมาอยู่ในใจเราตลอดเลยกะเนี้ นั้นข้าจะดับไปไม่ดับไปสิ่งนั้นจะดับไปไม่ดับไปไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเราแม้เราไปให้ค่าความว่างความว่างนั้นมันอยู่ในใจเราให้เราเป็นทุกข์เลยทาให้เราต้องมารักมีหน้าที่มีภาระต้องรักษาความว่างไว้ถ้าใจมันว่างตลอดเวลาอะไรสามพาระใจไม่ว่างเป็นทุกข์ทันทีเลยการจริงเราทุกข์กับการรักษาใจให้ว่างแหละแม้แต่เอาใจว่างมามีค่าปิความตําคัญต่อใจใจไม่ว่างจากการยึดถือเป็นทุกข์ทันที ความพ้นทุกป้นทุกตรงใจเนี่ย ว, ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดมีค่านี่ความสำคัญมั่นหมายต่อใจนั่นแน่ท่านจึง พ, นพ้นทุกข์กันเขา้าใจไหมเข้าใจครับสิ่งที่ดับไปคือความยึดกั่นให้ค่าไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สังขารที่ดับไปแต่สิ่งที่ดับไปคือการยึด สังขาร น, นั้นสังขารก็มันก็เกิดดับของมันตามเหตุปัจจัยของมันไปออืถูกต้องแล้วแต่ความว่างเปล่าเราพยายามไปยึดเข้าสิยึดใจจะให้ว่างเป็นทุกทันทีอะารตั้งหลายความสิ้นยึดมันดับไปจากใจทั้งหมดสิ้นยึด ไม่ย mm. like ึดอะกอย่างเลยแม้แต oui ่ว like ่างหรือไม่ว่างจิตดีหรือไม่ดีก like ุตนอกุศลไม่เข้าไปยึดเลยสิ้นยึดสิ้นยึดให้คายให้ความสำคัญมันหมายต่อใจให้หลือพ้นทุกข์ก็เลยพอสิ้นยึดพุ๊บก็ตึงทุกอย่างก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นตอนนี้ไม่ต้องไปเราต้องยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ไม่ต้องแหละตอนนี้ไม่ต้องมันเป็นนั่งมันเองไงที่มันเป็น อนี้สําคัญมากนะแม้แต่ใีครอบครัวกันอยู่เนี่ยเราถือสินห้าใบสุดข้อสามไม่เสร็จไม่ร่วมประเวณีกันหรือพ่อมาจาันบรรลุอรหันต์ได้ก็เพราะตรงนี้ที่ท่านบอกว่าพอใจมันสินยึดแล้วเนี่ยอยู่ด้กันเนี่ยพอเข้าใจตรงนี้ว่าทุกอย่างเป็นสังขารทั้งหมดเลยพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นสังขารหมดผู้ยึดไม่มีเพราะว่าไอ้ผู้ยึดมันก็คือสังขาร แม้แต่ผู้ยึดมัคือเอาต้องเอาสังขารมาปรุงแต่งยึดทุกอย่างเห็นว่าไม่ทุกอย่างเป็นสังขารทั้งหมดเลยไม่มีเลยนอกจากนั้นไ ม, ไม่มีเลยเป็นสังขารหมดเลยโอ้แม้แต่ยึดก็ยังเป็นสังขารเอามาปรุงแต่งยึดท่านเลยบอกว่าเมื่กับผัวเมียวัานอนนอนด้วยกันตัวติดกัน่ะแต่พอนอนหลับไปอ่ะทั้งคู่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องความรักความจังต่างคนหลับสนิทไปก็ ใ, ในใจไม่รู้สึกว่ามีเรามีเรม า, า you, มีเขามีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเราเขานี่ rookie, เป็นเราเป็นภรรยานี่เขาเป็นสามีนี่เป็นตัวเราเป็นสามีนี่เขาเป็นภรรยาตอนลับสนิทไปทั้งค oh ู่ไม่มีความคิดเรื่องเหล่านี้เลยดังนั้นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยไม่มีความปรุงเหล่านี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีว่าเราเป็นอะไรเขาเป็นอะไรแม้แต่เป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขา ตอนหลับตอนนี้ไปทั้งคู่ไม่มีเลยในธรรมชาตินั้นไม่มีทั้นธรรมชาติแท้ๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ท่านเราจะยินคํำนี้อยู่เป็นประจําไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอยู่ในความรู้สึกอะไรไม่มีอยู่ในความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเพราะตอนหลับเราที่ที่เราไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งหมดนั้นเพราะว่าเราไม่ไม่มีสติหรือเปล่าคะเราถึงมันถึงไอ ขันทั้งหมดไม่ทําไม่ใช่สัญญาเวทนาอะไรพวกนี้ไม่ทํางานหรือหรือยังไงครับมันถึงอ๋อขันทามก็ยังทํางานแั่ทํางานแต่ถ้ามันมันหลับสนิทไปมันหลับสนิทไปสติมันไม่มีความรู้ก็เลยไม่มีไอสติไม่มีความรู้ก็เลยไม่มีมันก็เลยดับไปแต่มันก็เปรียบคล้ายกันนะแม่ก็คือว่าพอขณะนั้นนะแม้แต่ไม่มีสติไม่มีความรู้แต่ธรรมชาติของธรรมชาติของความยึดถือมันไม่มีในนั้น แต่ว่ามันไม่ใช่ยังไม่มีปัญญาถ้าเกิดว่ามันมันไม่ยึดถือจริงว่าพอตื่นมามันก็สิ้นยึดถือกับรรลุอรหันต์แต่เนี่ยมันมีความลู้ยึดถือแฝงในนั้นแต่มันไม่มีความปรงแต่งในขณะหลับไปมันจิตไม่มีไม่รู้สึกว่ามีสุขมีทุกข์ทะเลาะกันตอนก่อนก่อนที่จะนอนด้วยกันแต่เหนื่อยมากเลยทะเลาะกันจนเหนื่อยมากแล้วหลับไปทั้งคู่ไม่ทะเลาะกันในนั้นถลับสนิทเลยนะไม่รู้สึกว่าเนี่ยเพราะอะไรมันไม่หลงปรุงแต่งมันเป็นขณะจิตที่ไม่หลงปรุงแต่ง พอไม่หลงปรุงแต่งปุ๊บความสุขความทุกข์ในนั้นไม่มีแต่พอพอลืมตามาพอรู้สึกตัวปุ๊บมันเอาสัญญามาจําได้แล้วมันก็ปรุงเียไงถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นสังขารมันปรุงแต่งมันก็จะมีใครไปหลงเอาเป็นสังขารนั้นเพราะว่าอีตอนหลับเนี่ยมันไม่เป็นสังขารอีตอนหลับมันไม่เป็นสังขารแต่พอตื่นมามันสังขารแหลกเลย <c oughs> เอาสัญญามาสังขารมาทะเลาะ ก, กันมารักกันทะเลาะ ก, กันอะไรมันก็จะปรุงยุ่ ง, งวุ่นวาย